การประพฤติพรหมจรรย์นในพุทธศาสนา มิใช่มีลาบสกาละและความสันเสริญเป็นอนิสงมิใช่มีความถึงพร้อมแห่งศีลเป็นอนิสงมิใช่มีความถึงพร้อมแห่งสมาธิเป็นอนิสงมิใช่มียานทัศนะเป็นอนิสงพรหมจันนี้มีความหลุดพ้นแห่งใจอันไม่กลับกำเริบเป็นประโยชน์เป็นแก่นเป็นที่สุด พุท ธ, ธวัจจนะการปฏิบัติธรรมเนี่ยคือการกระทาในสิ่งที่ถูกต้องดีงามการใช้ชีวิตเนี่ยให้เป็นปกติธรรมดาธรรมชาติใช้ชีวิตที่สอดคล้องกับธรรมชาติ ไม่ฝืนกฎธรรมชาติใช้ชีวิตีเรียบง่ายกินอยู่แบบง่า ย, ายเรียบง่ายนะไม่ใช่มากง่ายคือความเรียบง่ายเนี่ยต้องมีระเบียบอยู่ในความเรียบง่ายนั้นจึงจะเรียกว่าถูกต้องดีงามอุปนิสัยของผู้ที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยคือต้องใจเย็น ไม่ใจร้อนใครอยู่ใกล้ก็พอเย็นอกเย็นใจไปด้วยเหมือนร่มโพร่มใส่แต่ว่าถ้าใจร้อนเนี่ยใครอยู่ใกล้ก็มีแต่ความร้อนอกร้อนใจไม่มีความสุขผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยก็ต้องใจเย็นต้องรอได้คอยได้เพราะบางครั้งเนี่ยเราตั้งจิตตั้งใจเอาไว้ ระวางแผลเราไ ว, ว้าจะทำสินี้ให้สำเร็จทำสินี้ให้ได้ตามที่เราตั้งใจไว้แต่บางทีมันก็ไม่ได้ที่เราตั้งใจนะจะมีเหตุการณ์ภายนอกเข้ามาผสมหรือตัวเราเป็นต้นเราต้องรู้จักยืดหยุ่นผรอนสั้นผรอนยาวรอได้คอยได้ไม่เป็นไรไม่ต้องวิตกกังวลเนี่ยเรายังมีโอกาสอยู่ เราแค่ทาต่อไปก็ได้เนี่ยผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องไม่เอาเรื่องเอาราวไม่ถือสาหาความเกิดอะไรขึ้นก็จะมีแต่ความให้อภัยจะได้ไม่ต่อความยาวสาความยืดไม่ต่อเวรต่อกาลให้อภัยทําสิ่งที่มากให้น้อยทําสิ่งที่ใหญ่ให้เล็กทําสิ่งที่ยากให้ง่าย อันนี้คืออุปนิสัยของผู้ปฏิบัติธรรมต้องไม่ค่อยยึดมั่นถือมั่นน่ะมีแต่ความปล่อยวางไม่ยึดมั่นยึดติดในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนักปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องไม่เป็นคนเจ้าทุกนะอะไรอะไรก็จะเป็นทุกไปทั้งหมดเนี่ยก็แย่และ้ะเพราะการปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นไปเพื่อความพ้นทุกต้องไม่เป็นคนเจ้าทุกรู้จักปล่อยวางยอมรับความจริงและที่สําคัญที่สุดก็คือ ต้องมีสติอยู่เสมอๆกันดำเนินชีวิตอย่างมีสติในทุกแห่งทุกสถานการณ์ทุกเวลาสตินี่ถือว่าเป็นคุณธรรมเราจะดูเลยว่าใครมีคุณธรรมมากน้อยแค่ไหนมีธรรมะมากน้อยแค่ไหนดูที่สติเป็นเครื่องวัดได้สติเนี่ยที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือนักปฏิบัติธรรมเนี่ย จะต้องมีอุปฏิสัยไม่เพ่งโทษผู้อื่นไม่ค่อยจับตาดูผู้อื่นหรือค้นหาความผิดของผู้อื่นการค้นหาความผิดผู้อื่นหรือจับตาดูผู้อื่นเนี่ยทให้เราไม่มีความสุขถ้าเราอยากจะมีความสุขเราต้องเลิกเพ่งโทษผู้อื่นเลิกจับตาดูผู้อื่นแต่หันมาดูจิตดูใจตัวเราดูตัวเราให้มาก ดูจิต ด, ดูใจเราระวังที่ใจเราเราจะมีความสุขความทุกข์ก็ไม่เกิดขึ้นเพราะใจเราดีอันนี้ถือว่าเป็นประการสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือต้องไม่ยึดมั่นถือมั่นที่จะต้องแยกตัวออกไปจากกลุ่มพวกสเสมอๆอย่าไปยึดมั่นถือมั่นแบบนั้นอย่าทำตนแปลกแยกดูขัดเขินชีวิตเราจะไม่ ชัดเจนอันนี้ถือว่าสําคัญนะบางทีเราทําเป็นแปลกแยกเข้ากับกลุ่มเข้ากับพวกไม่ได้เนี่ยดูขัดขเขิขนเ น, นเนี่ยมันก็ไม่ใช่ชีวิตของเรานะมันเป็นทิฏฐิมานะเป็นการสร้างภาพผลออมาเราก็จะมีความทุกข์เพราะใจเราไม่เป็นอิสระต้องคอยที่จะแปลกแยกเขาต่อต้านเขาเยอะไรเงี้ยนะใจเราก็จะไม่มีความสุข การพูดคุยเนี่ยโทษเป็นเรื่องปกตินะบางครั้งเราต้องพูดต้องคุยใครมาซักมาถามก็ต้องพูดคุยเขาตามธรรมดาคุยอย่างมีสติพูดอย่างมีสติไม่หลงลืมสติบางทีนักปฏิบัตินี่เขาพูดกับทำเป็นเฉยวางท่าวางฟอร์มอันนั้นไม่ใช่นักปฏิบัติมันผิดธรรมชาติพูดได้คุยได้เมื่อมีโอกาสแต่เราทำอย่างมีสติเมื่อเรามีโอกาสพูดเราก็พูด มดเรื่องพูดแล้วเราก็หยุดเป็นผู้ฟังใช่ไหมบ้างนักปฏิบัติธรรมเนี่ยจะไม่ค่อยพูดมากพูดเมื่อจําเป็นมักจะเป็นผู้ฟังฟังอย่างมีสติใครพูดผิดเราก็ฟังได้ใครพูดถูกเราก็ฟังได้ฟังได้ทั้งหมดเลยทำอย่างมีสติเนี่ยทำได้ทั้งหมดเลยอีกประการหนึ่งก็คือบางครั้งเนี่ย เราก็ต้องดูจิตดูใจเราเข้าใจตัวเราเข้าใจจิตใจเราไม่เป็นคนที่งุดงิดอึดอัดรำคาญเสียงดังหน่อยก็รำคาญคนพลุกพล่านหน่อยก็รู้สึกไม่สบายใจมักจะหนีไปเพราะว่ามันเสียงดังเพราะมีคนมากอะไรเงี้ยหนีไปไม่พอใจไม่ชอบใจ อันนั้นไม่ใช่นักปฏิบัตินักปฏิบัติต้องอยู่ได้ในทุกคนทุกแห่งแม้ว่ามีคนมากมายทุกพลาดหรือเสียงดังก็ต้องอยู่ได้ไม่หนีเพราะว่าไม่พอใจถ้าจะไปก็ต้องไปด้วยสติที่รู้เท่าทันเห็นว่าสมควรไปก็ไปนี่ไปด้วยสติไปเพราะว่าเห็นสมควรไม่ใช่ไปเพราะว่าไม่ชอบ อันนี้ไม่ถูกต้องไม่ใช่นักปฏิบัติต้องอย่าลืมหลักธรรมคำสอนในสติปัฏฐานสี่ท่านกล่าวไว้ว่ามีความเพียรมีสติสัมปชัญญะถอนความรู้สึกว่าพอใจหรือไม่พอใจในโลกออกเสียได้คาว่าในโลกนั่นคือในจิตในใจนั่นเองในอารมณ์ต่างๆที่มากระทบสิ่งที่มากระทบทางตา ทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเขาเรียกว่าอารมณ์มากระทบกับตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทำมารมอันนี้เรียกว่าอารมณ์อันนี้เรียกว่าโลกพอมาเกิดการกระทบกับอารมณ์จิตมักจะปรุงละ่ะปรุงไปในทางพอใจบ้างไม่พอใจบ้าง เราต้องมีสติรักษาจิตให้เป็นปกติไว้ไม่ปล่อยจิตปล่ยใจให้หลงไปตามอารมณ์ที่มากระทบคือพอใจไม่พอใจรักสติปฐานมีอยู่ตรงเนี้ยคือมีสติมีสัมปชัญญะมีความเพียรถอนความพอใจไม่พอใจในโลกเสียด้กับตรงนี้แหละรักษาจิตให้เป็นปกติเมื่อไปแล้วนี่การปฏิบัติธรรม โดยเฉพาะเรื่องการเจริญสติเนี่ยอุปมาคล้ายๆกับการเดินทางการเดินทางของเราเนี่ยสมมุติว่าเราเดินไปในสวนเดินไปเรื่อยๆการเดินทางเนี่ยเราก็ได้พบได้เห็นสิ่งที่เราชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้างพอใจบ้างไม่พอใจบ้างเป็นอย่างนั้นใช่ไหมถ้าเจอดอกไม้เราก็พอใจ เจอขี้หมาเราก็ไม่พอใจเราย่อมได้พบอาการแบบนี้การปฏิบัติเนี่ยก็เพียงแค่รู้ไว้เฉยๆเจอขี้หมาก็ไม่ทําลายเจอดอกไม้ก็ไม่เด็ดดมรู้เฉยๆแล้วก็ผ่านไปเนี่ยลักษณะแบบนี้เหมือนการเจริญสติเวลากระทบอารมณ์เกิดความพอใจไม่พอใจเราก็แค่รู้ไว้เฉย แล้วก็ปล่อยวางไปจิตเจ้าบริสุทธิ์เนี่ยเรียว่าถอนความพอใจไม่พอใจในโลกออกเสียได้ในโลกคือในจิตใจของเรานั่นเองใจของเราก็คือโลกนะโลกคืออารมณ์ที่มากระทบเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติเวลากระทบกับอารมณ์ต่างๆสุปแล้วก็มีความพอใจกับไม่พอใจต้องมีสติไม่ต้องหนีไม่ต้องสู้ แต่ให้รู้เฉยๆนี่ล่ละคือการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องแล้วก็ดีงาม